ถ้าบุหยวไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่นายสมชายเล่าแต่คนเล่าอยากให้ท่านเชื่อจึงต้องนิมนต์ให้ไปพิสูจน์บังเอิญภิกษุเชื้อสายยวนมีข้อข้องใจสงสัยที่จะเรียนถามท่านพระครูอยู่แล้วจึงตกลงปลงใจที่จะไปพบพระอุบาท ย, ยาจารย์ของท่านเฝ้ากุติไว้นะอย่าพึงหลับละ่ะท่านสั่งนายสมชายแล้วออกเดินพลางกาหนดขวา ซ้ายขวาซ้ายไปยังกุติท่านเจ้าอาวาสครั้นถึงก็ได้กลิ่นเหม็นเนา่าคล้ายกลิ่นสุนัขที่ตายมาหลายวันท่านคิดว่าคงเป็นอุปทานมากกว่าจึงกาหนดได้กลิ่นหนอะทว่าความรุนแรงของมันก็ไม่ได้ลดลงจึงคิดจะเดินกลับโชคดีที่ท่านพระครูยังไม่เห็นเพราะภิกษุหนุ่มเดินมาเข้าทางด้านหลังกุติ บัวเหี่ยวจะกลับไปทําไมละ่ะเข้ามา ก, ก่อนเสียงพระอุปชาเรียกออกมาจากข้างในพระบัวเหี่ยวเลิกสงสัยมานานแล้วว่าเหตุใดท่านพระครูจึงรู้ว่าท่านกําลังเดินมาในความคิดของภิกษุหนุ่มพระอุปชาของท่านเป็นพระชละพินยาผู้บวชใหม่จึงจําต้องเดินเข้าไปกราบท่านสามครั้ง แล้วถอยห่างออกมานั่งติดกับประตูด้านหน้ากระนั้นก็มีความรู้สึกอยากอาเจียนเป็นกำลังทำไมไปนั่งเสียไกลเชียวขยบเข้ามานั่งใกล้ๆสิท่านเจ้าของกุฏิออกคำสั่งเป็นคำสั่งที่พระโบเฮียวจำใจต้องปฏิบัติตามอย่างยากเย็นยิ่งท่านกงเหม็นผมนะครับหลวงพ่อ ผมเองก็ยังแทบจะทนกับกลิ่นของตัวเองไม่ไหวอาจารย์ชิตพูดอย่างเกรงใจรู้สึกสงสารจมูกของพระคุณเจ้าสองรูปนี้ยิ่งนักและเพราะเหตุผลอย่างเดียวกันนี้ที่เขาต้องหนีลูกเมียสมสารมหาท่านพระครูขอมาตายใกล้ๆพระจะได้ไม่ตกนรกบัวเหี่ยวสมมุตินี่เป็นส น, นามสอบ เธอลงมือทำข้อสอบได้แล้วจะตกหรือจะผ่านประเดี๋ยก็ได้รู้อาจารย์ชิดไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านพระครูพูดซึ่งย่อมเป็นธรรมดาของผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานส่วนพระโบเฮียวนั้นเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งท่านเริ่มกำหนดได้กลิ่นหนอด้วยสติอันไม่ถึงกับว่องวหากก็ไม่จัดว่าช้าเวลาผ่านไปประมาณสองนาที ก็อดครวญกับพระอุปชาว่าพระเดศพระคุณลุงพอทิกรบอย่างสูงงวดนี้กระผมขออนุญาตสอบตกนคะรขอรับยังเตรียมไม่พร้อมจะกลับไปตั้งหลักก่อนแล้วค่อยกลับมาแก้ตัวใหม่ขอรับแล้วถ่างงวดหน้าตกอีกละ่ะพระอุปชาย้อนถามก็ขอไปแก้ตัวงวดโน้นขอรับผู้บวชได้สี่เดือนเศษตอบขณะพูดมีความรู้สึกว่า กลิ่นเน่าโชยเข้ามาในปากจึงเกิดอาการสะอิดสะเอียนจนมิอาจทนนั่งอยู่ได้แล้วถัดฉันไม่อนุญาตละ่ะภิกษุหนุ่มไม่ทันได้ตอบเพราะรีบลุกออกไปอาจเจียนที่ก่อต้นเข็มเสร็จแล้วจึงกลับมานั่งน้ำหูน้ำตาไหลเพราะความคลื่นเหียนเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงให้สงสารลูกศิษย์นักจึงกล่าวอนุญาตว่าเอาเถอะ จะกลับมาสอบคราวหน้าก็ได้แล้วช่วยกลับไปบอกสมชายด้วยว่าพรุ่งนี้เช้าให้ไปหาต้นใต้ใบกับต้นมยราบมาให้ฉันสักหอบย่อมย่อมจะเอามาปรุงยาให้โยมเขาท่านหมายถึงอาจารย์ชิดครับผมกราบลาละครับภิกษุหนุ่มกราบพระอุปชาสามครั้งแล้วลุกออกมา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 สอบอะไรครับสอบบรรจุหรือว่าสอบลื่อนตำแหน่งชายหนุ่มถามงงงงไม่ใช่ทั้งสองอย่างคือพออาตมาไปถึงลุงพอท่านก็ให้สอบแล้วอาตมากดตกเอแต่ลุงพอท่านฝากสั่งมาหาคุณนะท่านเปลี่ยนเรื่องด้วยการไม่ต้องการให้ฝ่ายนั้นรับรู้ความพ่ายแพ้ที่ท่านได้รับมายยกยกท่านสั่งถึงผมว่ายังไงครับท่านว่าพรุ่งนี้เช้า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 งั้นพรุ่งนี้หลวงพี่ช่วยเตืนผมอีกทีแล้วกันเอาละทีนี้กรุณาเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าหลวงพี่ไปสอบอะไรมาที่พูดค้างไว้เมื่อกี้นะ่ะคนเป็นข้ารหต์วกกลับมาเรื่องเดิมแม้อาตมานึกว่าคุณลืมไปแล้วลงดีใจว่าจะได้ไม่ต้องเล่าพิกษุหนุ่มรู้สึกผิดหวังผมไม่ลืมดอกครับหลวงพี่และผมก็รู้ด้วยว่าหลวงพี่อยากให้ผมลืม ไอผมมันก็คนหัวรั้นซะด้วยคือถ้าใครอยากให้ผมลืมผมมักจะจำระวังเถอะวันที่หัวรั้นน่ะต่อไปจะหัวล้านนายสมชายสะดุง้งเพราะครั้งหนึ่งท่านพระครูก็เคยพูดเรื่องผมบนศีรษะของเขาว่าในอนาคตมันจะลดปริมาณลงเมื่อมาถูกพระบเฮียวสกิดอีกจึงถึงกับใจฝ่อก็ผู้ชายคนไหนบ้างอยากจะหัวล้านถึงผู้หญิงก็เถอะ แม่หลวงพี่พูดอะไรอย่างนั้นเล่นเอาผมใจคอไม่ดีเขาตอาว่าพิกสุหนุ่มทำไมกลัวรึก็กลัวสิครับเกิดเป็นตามปากหลวงพี่ผมกลุ้มตายแน่แนอย่า ก, กลัวเลยคุณถ้าคุณมีกรรมจะต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นเข้าจนได้ไม่ว่าอาตมาจะพูดหรือไม่พูดก็ตามจริงไหมคงจริงมังครับแต่ถ้าผมจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ขอภาวนาให้เป็นหลังแต่งงานเธอ ขืนเป็นก่อนแต่งงานผู้หญิงเขาคงไม่ยอมแต่งกับผมแนะ่หากเป็นเมื่อก่อนใจของพระโบเฮียวจะต้องซัดสายทุกครั้งเมื่อได้ยินคนพูดเรื่องแต่งงานแล้วก็คิดอยากศึกออกไปมีคู่ครองเชกเช่นคนอื่นๆบ้างแต่หลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดจนสามารถแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปยังโย ม, มารดาถึงกับทาให้ท่าน ได้รับรางวัลเป็นอาหารทิพย์จากเทวดาปรากฏการสองอย่างนี้ทำให้ท่านตั้งปณิธานว่าจะไม่ศึกออกไปเป็นผู้ครองเรือนอย่างเด็ดขาดนับแต่บัดนั้นท่านก็ไม่ได้วันไหวยามได้ยินได้ฟังเรื่องเช่นว่านี้ทั้งความคิดที่จะศึกก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกถ้าเขาไม่ยอมแต่งก็ดีนะสิจะได้รู้ว่าเขารักเราที่รูปร่างหน้าตา อาตมาเคยได้ยินลุงพ่อท่านสอนญาติโยมว่าคนที่รักกันด้วยรูปโฉมโหนพัน์หรือทรัพย์สมบัตินั้นไม่ใช่รักแท้ต้องรักด้วยอะไรล่ะครับจึงจะเรียกว่ารักแท้สิทวัดแกล้งถามเพื่อลองภูมิหลวงพี่ลุงพ่อท่านว่าต้องรักด้วยใจด้วยคุณความดีรักอย่างนี้ถึงจะอย่างยืนอย่างแรกไม่อย่างยืนเพราะพอเงินหมดหมดสวย รักกดจืดจางร้างราผู้บวชใหม่พูดตามที่ได้ยินได้ฟังมาจากพระอุบาชาทำไมต้องเป็นหลวงพ่อท่านวาดด้วยล่ะครับเป็นหลวงพี่ว่าไม่ได้หรือไงนายสมชายทักทวงอาตมายังไม่เคยมีประสบการณ์ภิกษุหนุ่มให้เหตุผลก็เมื่อไหร่จะมีล่ะครับเมื่อไหร่อาตมาไม่พึงปรารถนาจริงอยู่เมื่อก่อนอาตมาก็เคยคิด แต่เดี๋ยวนี้เลิกคิดแล้วพอปฏิบัติกรรมฐานมากๆจิตมันก็ไม่ยอมรับสิ่งนี้ไปโดยปริยายไม่ต้องมีการฝืนใจด้วยมันก็แปลกดีนะคุณน่าจะลองบ้างอย่าให้ผมลองเลยครับหลวงพี่ผมยังไม่อยากจะเป็นพระอรหรันยังรักที่จะเป็นปุถุชนคนเดินดินอย่างนี้แหละนายสมชายรีปฏิเสธคุณคิดว่าการเป็นพระอรหันนั้นเป็นกันใดง่ายๆงั้นรือ พระโมเหี ย, ยนง่ายหรือยากผมก็ไม่อยากเป็นหรอกครับแต่ถึงอยากก็ใช่ว่าจะได้เป็นดังที่อยากลุงพ่อท่านบอกว่าการเป็นพระอาหารหันต้องปฏิบัติคมพบคาชาติแล้วก็ต้องทำด้วยตนเองทำแทนกันไม่ได้ซื้อเอาก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่บัตรผู้แทนแมหลุงพี่อ้างลุงพ่ออีกแล้วเมื่อไรจะเลิอกอ้างแบบนี้สัที คนเราควรจะมีความคิดที่เป็นของตัวเองมั่งนายสมชายว่ามันก็มีบางเหมือนกันแหละความคิดที่เป็นของตัวเองน่ะแต่มันออกจะเปิลๆไม่ฉลาดฉเฉลียวนักพูดออกมาทีไรเป็นถูกคนเข้าหัวเราะเยอะทุกทีก็เลยต้องอ่างหลวงพอ่อจะผิดจะถูกยังไงก็ให้ไปถามหลวงพ่อเอาเองแต่ก็แปลกนะคุณพออาตมาอ่างหลวงพอ่อก็ไม่เห็นใครหัวเราะเยาะเลย จึงต้องอ้างบ่อยๆจนทินพระบุเฮียวอธิบายถึงสาเหตุที่ต้องอ้างคำพูดของอาจารย์เอาเถอะครับเรายุติเรื่องนี้กันดีกว่าลหลวงพี่ตอบผมได้แล้วว่าไปสอบอะไรมานายสมชายทวงคำตอบพระบุเฮียวเห็นว่าไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้จึงจําใจเล่าให้ชายหนุ่มฟังพร้อมทั้งหลงความเห็นว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่คนเป็นเป็น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 คนที่ประเสริฐอย่างลุงพอหาไม่ได้อีกแล้วไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกไหนไหนพระบูเหียวพูดจากใจจริงนั่นสิครับและผมก็เสียดายใจแทบขาดที่ท่านจะต้องจากพวกเราไปในอีกสี่ปีข้างหน้าหลวงพี่ทราบเรื่องที่ท่านจะต้องได้รับอุบัติเหตุรถคว่มแล้วใช่ไหมครับรู้แล้วแต่มันยังไงยังไงอยู่นาอาตมาค่อนข้างมั่นใจว่าท่านจะไม่มรณะภาพในลักษณะเช่นนั้น บุญบารมีที่ท่านสะสมไว้จะช่วยท่านได้อาตมาแน่ใจเช่นนั้นไมายความว่าหลวงพี่ไม่เชื่อที่หลวงพ่อบอกหรือครับสแสดงว่าหลวงพี่ไม่เชื่อว่าท่านได้อภิญญาจริงอย่างนั้นหรือครับเชื่อสิอาตมาเชื่อว่าท่านได้อภิญญาหกด้วยนะท่านเป็นพระอรหันต์ประเภทฉลาดพิ ญ, ญาอาตมาเชื่ อ, อยางนี้หลวงพี่อย่าไปพูดอย่างนี้ต่อหน้าท่านนะครับ ดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนเคยมีคนคิดว่าท่านเป็นพระอระหันต์ท่านบอกอย่าคิดอย่างนั้นท่านเป็นพระอระเหต่างหากเพราะใครมีทุกข์ท่านก็จะเหตไปช่วยเขาคนอื่นจะคิดอย่างไรก่อนแล้วแต่สำหรับอาตมาท่านเป็นพระอระหันต์ที่ได้อภิญญาครบทั้งหกท่านเป็นพระฉลภิญญาภิษุทิหนุ่มย้ำเอาเถอะครับลุงพี่อยากจะคิดอย่างนั้นก็ตามใจ แตย่าได้ไปพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังเที่ยวถูกดุแน่ๆ น, นี่กี่ทุ่งกี่ยามแล้วล่ะผมชักง่วงแล้วนอนกันเถอะครับเชิญคุณนอนก่อนเถอะอัอตมาจะปฏิบัติกรรมฐานเพื่อแผ่เมตตาไปให้หลวงพ่อทันบางทีอาจช่วยท่านได้นะหรือคุณไหวยังไงครับอาจเป็นได้ก็หนูยังช่วยราชสีดีได้นี่ครับหลุมพี่ตัวใหญ่กว่าหนูตั้งแยะนายสมชายว่าจากนั้นก็ล้มตัวลงนอน ไม่ช้า ก, ก็ส่งเสียงกรนเบาๆแสดงว่าหลับสนิทพระบรูเหียวนั่งสมาธิกำหนดพองหนอและยุบหนอเป็นเวลาสองชั่วโมงถอนจิตออกจากสมาธิแล้วแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านพระครูจากนั้นจึงจำวัดพระบรูเหียวกลับออกไปแล้วท่านพระครูจึงพูดกับอาจารย์ชิดว่ายังไม่ทันไร สอบตกเส้นแล้วโยมอย่าไปถือสาท่านเลยนะท่านพึ่งบวชยังไม่ทันครบรัาเลยอาจารย์ชิดพอจะเข้าใจความหมายที่ท่านพูดจึงตอบว่าผมไม่คิดอย่างนั้นหรอกครับเพราะถ้าเป็นผมก็ทนไม่ได้เช่นกันแล้วผมก็กลีงใจหลวงพ่อมากที่ต้องมาทนกับกลิ่นเหม็นเน่าราวกับซากศพอย่างนี้ ผมคงบาปมากใช่ไหมครับถึงได้เนา่าทั้งที่ยังไม่ตายอย่าเพิ่งไปคิดอะไรแล้วก็ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอาตมาแต่ประการใดไหนลองตอบอาตมามาสิว่าโยมอยากหายหรือเปล่าผมยังมีโอกาสที่จะหายได้หรือครับคงเป็นไปไม่ได้หลวงพ่อ อย่าปลอบใจผมเลยครับที่ผมดันด้นมาก็ไม่ได้หวังว่าจะหายเพียงแต่จะขอมาตายไกลๆหลวงพ่อเท่านั้นอาจารย์วัยหกสิบพูดอย่างปลงต่อแต่อาตมาดูแล้วว่ามีทางเป็นไปได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตขอให้เชื่ออาตมาแล้วทำตามที่บอกก็แล้วกันถ้าเป็นอย่างนั้น ผมจะขอบวชตลอดชีวิตเลยครับขออุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนาชีวิตการครองเรือนของผมสิ้นสุดลงเพราะโรครายการได้ชีวิตใหม่ผมถือว่าเป็นเพราะอำนาจบุญกุศลผมจึงขอต่อบุญด้วยการบวชตลอดชีวิต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 กำลังจะจมน้ำตายเพราะอุบัติเหตุเรือพลิกคว่าก็อธิษฐานว่าหากรอดชีวิตจะบวชหนึ่งพันษาเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทำตามที่พูดแกบ่นไว้ตั้งแต่ลูกสาวยังอยู่ในท้องจนลูกสาวแต่งงานก็ยังไม่ยอมบวชอาตมาเตือนก็ผัดเมื่อนั้นเมื่อนี้อยู่เรื่อย ในที่สุดก็เลยรถความคอหักตายนี่แหละผลของการเสียสัจจะในกรณีของโยมก็เหมือนกันขอให้ตั้งใจว่าจะบวชอย่างน้อยหนึ่งพันษาหลังจากนั้นจะศึกหรือไม่ศึกก็ไม่ถือว่าเสียสัจจะเข้าใจหรือยังครับผมจะอธิษฐานไว้หนึ่งพันษาก่อน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 น้ำมันก็หมดได้เหมือนกันนะโยมท่านพระครูแย้งเสียงเรียบพระรู้ว่าอีกสามปีพัญญาอาจารย์ทิศจะน้ำมันหมดชนิดที่ไม่มีผู้ใดจะช่วยได้บุญกุศลก็มีวันหมดได้หรือครับหลวงพ่อคนเป็นโรคมะเร็งถามได้สิโยมก็เหมือนน้ำมันรถนั่นแหละหมดเมื่อไหร่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 ที่ช่วยบรรเทาเบาคลายความทุกข์ให้เขาได้ถ้าหากมีการชดใช้สมมุติว่าโยมไปขอยืมเงินเข้ามาแล้วก็ไม่ใช้คืนเขาโยมก็ได้ชื่อว่าเป็นหนี้เขาอยู่ต่อเมื่อใช้คืนเขาเมื่อใดก็เป็นอันว่าหมดหนี้พูดถึงเรื่องหนี้อาตมานึกถึงเรื่องของตัวเองได้ โยมอยากฟังหรือเปล่าถ้าไม่อยากอาตมาจะได้ไม่เล่าอยากครับลุงพ่อกรุณาเล่าเธอครับผมรู้สึกสบายขึ้นเมื่อได้คุยกับลุงพ่ออาการเจ็บปวดดูเหมือนลดน้อยลงไปจนเกือบจะเหมือนคนปกติลุงพ่อกรุณาเล่าเธอครับแล้วห้ามเอาไปเล่าต่อนะเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นและจบลง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 เจหลังวันหนึ่งแกก็มาหาอาตมาบอกว่าลุงพ่อขอยืมเงินฉันสักห้าพันไดไหมฉันจะเอาไปให้เฮียเขาซ่อมรถรถมันเสียเจหลังแกมากับสามีแต่ชื่ออะไรอาตมาก็จาไม่ได้เสียแล้วตอนนั้นอาตมาเงินเยอะเพราะยายทิ้งสมบัติไว้ให้ทั้งเงินทั้งทองนั่น ก็ดูเหมือนจะสักสี่สิบบาทเห็นจะได้เป็นทองรูปประพัน์มีทั้งเข็มขัดสร้อยข้อมือแล้วก็สร้อยสังวานที่คนสมัยก่อนเขาใส่กันอ้อแล้วก็มีร่างแหทองคำอันใหญ่อีกสองอันอะไรครับหลวงพ่อร่างแหทองคำอาจารย์ที่ถามกนลักษณะเหมือนกับแหที่เขาให้เด็ก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 เอาไว้ให้รุ่นหลานดูนั่นแหละทีนี้เจ๊ลังแกมาขอยืมเงินห้าพันแกกำลังท้องแก่ด้วยตอนที่มานะ่ะท้องลูกคนแรกแล้วหลวงพ่อให้หรือเปล่าครับให้สิแต่บังเอิญตอนที่แกมาขอยืมอาตมาเพิ่งทำบุญสร้างโบสถ์ไปหลังหนึ่งเงินหมดพอดี ก็เลยไปขอยืมคนที่ตลาดปากบางให้ไปก่อนพอมีเงินจึงค่อยเอาไปใช้เขาแต่ก็นึกสังหรณ์ใจว่าคงจะไม่ได้คืนแล้วก็ไม่ได้คืนจริงๆอัตมาจดบันทึกไว้นะพอแกกับสามีกลับอาตมาก็ขึ้นไปจดบันทึกว่าวันที่19มีนาคม2492เวลา14นาฬิกา เจหลังที่อยู่นครนายกมายืมเงินไปห้าพันบาทรู้สึกสังหอนใจว่าจะไม่ได้คืนแล้วหลวงพ่อได้คืนหรือเปล่าครับไม่ได้จนบัดนี้อาตมาก็ไม่กล้าทวงแกเพราะทวงนี่ใครไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าทำไมแกถึงลืมได้แกมาที่นี่หลายครั้ง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 ไม่ต้องรอกโยมมันจบสิ้นกันไปแล้วฟังก่อนอัตมายังเล่าไม่จบคือเมื่อปีที่แล้วนี่เองแกก็มานิมนต์ไปงานแต่งงานลูกสาวก็คนที่อยู่ในท้องตอนที่แกมาขอยืมเงินอัตมานั่นแหละก่อนไปอัตมาก็อธิษฐานเจ้าประคุณขอให้ข้าพเจ้าได้เงินห้าพันคืนเถอะ ขอให้เจ๊ลังแก่นึกได้เถอะแล้วก็ไปนครนายกแกส่งรถมารับเพราะตอนนั้นอาตมายังไม่มีรถใช้ลูกสาวแกแต่งงานวันที่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยสิบหกเป็นเวลายี่สิบสี่ปีเต็มที่แกยืมเงินอาตมาไปพอไปถึงก็ทำพิธีจากนั้นก็ฉันเช้า ชั้นเช้าเสร็จอาตมาก็ลากลับแกก็ไม่พูดเรื่องเงินอีกอาตมารู้สึกผิดหวังก็เลยมานั่งกรรมฐ า, านตรวจสอบดูถึงได้รู้ว่าที่เขาลืมเพราะเราเคยเป็นหนี้เขาไว้ตั้งแต่ชาติก่อนนู้นชาติที่แล้วนี่หรือครับไม่ใช่ก่อนชาติที่แล้วเพราะชาติที่แล้ว อาตมายังไม่ทันขอยืมเงินใครเนื่องจากตายเสียก่อนดูเหมือนจะตายตอนอายุสักสามสี่ขวบนี่แหละเป็นอะไรตายครับตกน้ำตายคือบ้านอาตมาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วพี่เลี้ยงเขาเผลออาตมาลงไปเล่นที่ท่าน้ำก็เลยตกน้ำตายนี่ โยมห้ามเอาไปเล่าให้ใครฟังนะอาตมายังไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเรื่องตกน้ําตายนะ่ะการปฏิบัติกรรมฐานมีประโยชน์ตรงนี้แหละคือทำให้ระลึกถึงกรรมเก่าได้จะได้ใช้ใช้ให้หมดไปเสียทุกคนก็มีกรรมด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าโยมหรืออาตมาหรือใครใ แล้วหลวงพ่อบอกเจ๊คนนั้นหรือเปล่าครับไม่ได้บอกอย่างที่เล่าให้โยมฟังหรอกหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนแกก็มาที่วัดอีกอาตมาก็แกล้งถามแกว่าเจ๊อาตมาเคยเป็นหนี้เป็นสินเจ๊แล้วลืมใช้บ้างหรือเปล่าลองนึกดูสิแกก็นึกอยู่นานแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็น อาตมาก็ถามว่าถ้าเกิดเป็นตั้งแต่ชาติก่อนๆละ่ะอาตมาจะใช้ให้ชาตินี้เอาไหมจะได้หมดหนี้กันแกก็ว่าเอาเถอะฉันยกให้ถ้าเป็นหนี้ตั้งแต่ชาติก่อนๆฉันยกให้ลงพ่ออาตมาก็ย้ำว่าจริงๆนะอย่าพูดเล่นนะแกก็รับปากรับคำซึ่งกอบแปลว่า แกโอโหสิให้อาตมาก็เลยบอกว่าที่แกยืมอัตมาเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนอัตมาก็ยกให้เหมือนกันแกค้นนึกขึ้นได้แล้วบอกจะใช้คืนอัตมาไม่ยอมรับคืนเพราะที่ยืมแกมาถ้าคิดเป็นเงินในชาตินี้ก็คงตกสองแสนบาททั้งต้นทั้งดอกซึ่งถ้าแกเกิดจะเอาคืนก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนมาให้ หลวงพ่อก็ได้กำไรสิครับอย่างงั้นนะสิอาตมาถึงเตือนโยมว่าอย่าเที่ยวพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังเดี๋ยวเขาจะตาหนิเอาว่าหลวงพ่อเจริญค้ากำไรเกินควรแล้วท่านก็หัวเราะ อ, อาจารย์ชิดปล่อยหัวเราะไปด้วยนานนักหนาแล้วที่เขาไม่ได้หัวเราะ อ, อย่างมีความสุขเช่นค่ำคืนนี้